โมระเหตุที่4ี่อหนึ่งในโมลเหตุที่สสมณะพราหมผู้เจริญอาศัยอะไรปรารบอะไรจึงมีวาทะวะเทียงบัญญัติอัตตาและโลกว่าเทียงสมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้เป็นนักตักกะเป็นนักอภิปรัชาแสดงทัศนะของตนตามหลักเหตุผลและการคาดคะเนความจริงอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกเทียงยั่งยืนตั้งมั่นอยู่ดุดยอดภูเขา ดุดเสาระเนียดส่วนสัตว์เหล่านั้นย่อมแล่นไปท่องเที่ยวไปจุติและเกิดแต่มีสิ่งที่เที่ยงอยู่แน่ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นมูลเหตุที่สี่ซึ่งสมณพราหมณ์พวกหนึ่งอาศัยแล้วปรารบแล้วจึงมีวาทะว่าเที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยง สรุปสัสตะวาทะภิกสุทั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่านั้นมีวาทะว่าเทียงบัญญัติอัตตาและโลกว่าเทียงด้วยมลเหตุสี่อย่างนี้แลก็สมณพราหมณ์เหล่านั้นทุกจำพวกมีวาทะว่าเทียงบัญญัติอัตตาและโลกว่าเทียงด้วยมลเหตุทั้งสี่อย่างนี้หรือด้วยมลเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งในสี่อย่างนี้ไม่พ้นไปจากนี้ภิษุทั้งหลาย เรื่องนี้ตถาคตรู้ชัดว่ามูลเหตุแห่งทิฐิเหล่านี้ที่บุคคลยึดถืออย่างนี้แล้วย่อมมีคติและพบหน้าอย่างนั้นอย่างนั้นตถาคตรู้มูลเหตุนั้นชัดและยังรู้ชัดยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกจึงไม่ยึดมั่นเมื่อไม่ยึดมั่นจึงรู้ความดับด้วยตนเองรู้ความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดเวทนาออกตามความเป็นจริงตถาคต จึงหลุดพ้นเพราะความไม่ยึดมั่นถือมั่นภิกษุทั้งหลายธรรมเหล่านี้แลลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบปราณีใช้เหตุผลคาดคะเนเอาไม่ได้ละเอียดรู้ได้เฉพาะบัณฑิตซึ่งตถาคตรู้แจ้งได้เองแล้วสั่งสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งตามอันเป็นเหตุให้คนกล่าวยกย่องตถาคตถูกต้องตามความเป็นจริงพาณวาระที่หนึ่งจบ กัจจสสตะวาทะสีเห็นว่าอัตตาและโลกเที่ยงเป็นบางอย่างภิกษุทั้งหลายมีสมณพราหม์พวกหนึ่งมีวาทะว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงด้วยมลเหตุสีอย่างก็สมณพราหมูเจริญเหล่านั้นอาศัยอะไรปรารออะไรจึงมีวาทะว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยง บัญญัติอัตราและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงด้วยมลเหตุสีอย่างภิกษุทั้งหลายสมัยหนึ่งเมื่อล่วงไปนานๆโลกนี้พินาศเมื่อโลกกำลังพินาศเหล่าสั์ส่วนมากไปเกิดที่อาพสระโพรมโลกนึกคิดอะไรก็สำเร็จได้ตามปรารถนามีปิติเป็นอาหารมีรัสมีส่านออกจากร่างกายเที่ยวสัญจรไปในอากาศอยู่ในวิมานอันงดงาม สถิตยอยู่นานแสนนานสมัยหนึ่งเมื่อล่วงไปนานๆานโลกนี้กลับฟื้นขึ้นเมื่อโลกกำลังฟื้นขึ้นวิมานของพรหมปรากฏว่าว่างเปล่าเวลานั้นสัตว์ผู้จุติจากชั้นอภัสรพรหมโลกเพราะสิ้นอายุหรือสิ้นบุญย่อมเกิดที่วิมานพรหมอันว่างเปล่านึกคิดอะไรข้อสำเร็จได้ตามปรารถนาะมีปิติเป็นอาหารมีรศมีซ่านออกจากร่างกาย เที่ยวสัญจรไปในอากาศอยู่ในวิมานอันงดงามสถิตยอยู่นานแสนนานเพราะสัตว์ผู้นั้นอยู่ในวิมานแต่ผู้เดียวเป็นเวลานานจึงเกิดเบื่อหน่ายว่าโอ๋หนอแม่สัตว์เหล่าอื่นพึงมาเป็นอย่างนี้บ้างต่อมาสัตว์เหล่าอื่นจุติจากชั้นอาพัสระพรหมโลกเพราะสิ้นอายุหรือสิ้นบุญย่อมเกิดที่วิมานพรหมเป็นผู้อยู่ร่วมกับสัตว์นั้น แมสัตว์พวกนั้นนึกคิดอะไรก็าสาเร็จได้ตามปรารถนามีปิติเป็นอาหารมีรสมีสั้นออกจากร่างกายเที่ยวสัญจรไปในอากาศอยู่ในวิมานอัน ง, งดงามสถิตยอยู่นานแสนนานภิกษุทั้งหลายบรรดาสัตว์พวกนั้นผู้เกิดก่อนมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเป็นพรหมเป็นเท้ามหาพรหมผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีใครข่มเหงได้เห็นทงแท้ เป็นผู้กลุ่มอำนาจเป็นอิสระเป็นผู้สร้างผู้บรรดาลผู้ประเสริฐผู้บงการผู้ทรงอำนาจเป็นบิดาของสัตว์ผู้เกิดมาแล้วและกาลังจะเกิดเราบรนดาลสัตว์เหล่านี้ขึ้นมาเพราะเหตุไรเพราะว่าเรามีความคิดมาก่อนว่าโอ๋นอแม่สัตว์เหล่าอื่นพึงมาเป็นอย่างนี้บ้างเรามีความตั้งใจอย่างนี้และสัตว์เหล่านี้ก็ได้มาเป็นอย่างนี้แล้ว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 พวกเราได้เห็นพระพรหมองค์นี้เกิดในที่นี้ก่อนส่วนพวกเราเกิดมาภายหลังภิกษุทั้งหลายบรรดาสัตว์พวกนั้นผู้เกิดก่อนมีอายุยืนผิวพันธุ์งดงามและมีศักดิ์มากกว่าส่วนผู้เกิดภายหลังมีอายุสั้นผิวพันธุ์ซามและมีศักดิ์น้อยกว่า มูลเหตุที่หนึ่งข้อที่สัตว์ผู้จุติเคลื่อนจากชั้นนั้นแล้วมาเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องที่เป็นไปได้เมื่อเขามาเป็นอย่างนี้แล้วออกจากเรือนไปบวชเป็นบนรรพชิตเมื่อบวชแล้วอาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสความเพียรที่ตั้งมั่นความหมั่นประกอบความไม่ประมาทและอาศัยการใช้ความคิดอย่างถูกวิธีแล้วบรรลุเจโตสมาธิที่เป็นเหตุทาจิตให้ตั้งมั่นเราเลิกถึงชาติก่อนนั้นได้ ถัดจากนั้นไประลึกไม่ได้เขาจึงพูดอย่างนี้ว่าท่านผู้เป็นพระพรหมผู้เจริญเป็นเท้ามหาพรหมผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีใครค่มเหงได้เห็นท่องแท้เป็นผู้กุมอำนาจเป็นอิสระเป็นผู้สร้างผู้บรรดาลผู้ประเสริฐผู้บงการผู้ทรงอำนาจเป็นบิดาของสัตว์ผู้เกิดแล้วและกำลังจะเกิดพระพรหมผู้เจริญบันดาลพวกเราขึ้นมา ท่านเป็นผู้เที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปรจักดำรงอยู่เที่ยงแท้ไปเช่นนั้นทีเดียวส่วนพวกเราที่พระพรมผู้เจริญนั้นบรนดาลขึ้นมากลับเป็นผู้ไม่เที่ยงแท้ไม่ยั่งยืนอายุสั้นต้องจุติมาเป็นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นมลเหตุที่หนึ่งซึ่งสมณพราหมูพวกหนึ่งอาศัยแล้วปรารภแล้วจึงมีวาทะว่า บางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงบัญญัติอัตราละโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยง<โลก>มูลเหตุที่สองอันหนึ่ง ในมลเหตุที่สองสมณพราหมณ์ผู้เจริญอาศัยอะไรปรารบอะไรจึงมีวาทะว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายมีเทวดาพวกหนึ่งชื่อว่าคิดทาปะโทสิกะเทวดาพวกนั้นมุกมุ่นอยู่ในความสนุกสนานสวนเสเฮฮาเกินเวลา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 และอาศัยการใช้ความคิดอย่างถูกวิธีแล้วบรรลุเจโตสมาธิที่เป็นเหตุทำจิตให้ตั้งมั่นระลึกถึงชาติก่อนนั้นได้ถัดจากนั้นไประลึกไม่ได้เขาจึงพูดอย่างนี้ว่าพวกเทวดาผู้เจริญผู้ไม่ใช่เหล่าคิดทาปะโทสิกะย่อมไม่หมกมุ่นอยู่ในความสนุกสนานสวนเสเฮฮาเกินเวลาเมื่อไม่หมกมุ่นอยู่ในความสนุกสนานสวนเสเฮฮาเกินเวลาย่อมไม่หลงลืมสติ เพราะไม่หลงลืมสติจึงไม่จุติจากชั้นนั้นเป็นผู้เที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปร ى, จักดำรงอยู่เที่ยงแท้ไปเช่นนั้นทีเดียวส่วนพวกเราเราคิดทาปะโทชิกะมัวแต่หมกมุ่นอยู่ในความสนุกสนานสวนเสเฮหาเกินเวลาเมื่อหมกมุ่นอยู่ในความสนุกสนานสวนเสเฮหาเกนานินเวลาย่อมหลงลืมสติเพราะหลงลืมสติจึงต้องจุติจากชั้นนั้น เป็นผู้ไม่เที่ยงแท้ไม่ยั่งยืนอายุสั้นต้องจุติมาเป็นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นมลเหตุที่สองซึ่งสมณพราหม์พวกหนึ่งอาศัยแล้วปรารพแล้วจึงมีวาทะว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยง มูลเหตุที่สามอนหนึ่งในมูลเหตุที่สามสมณะพราหมณ์ผู้เจริญอาศัยอะไรปรารบอะไรจึงมีวาทะาว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายมีเทวดาพวกหนึ่งชื่อว่ามโนปโทสิกะเทวดาพวกนั้นมัวจ้องจับผิดกันและกันเกินควร เมื่อมวัวจ้องจับผิดกันและกันเคินควรจึงคิดมุ่งร้ายต่อกันเมื่อคิดมุ่งร้ายต่อกันจึงเหนื่อยกายเหนื่อยใจพากันจุติจากชั้นนั้นข้อที่สัตว์ผู้จุติจากชั้นนั้นแล้วมาเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องที่เป็นไปได้เมื่อเขามาเป็นอย่างนี้แล้วออกจากเรือนไปบวชเป็นบรรปะชิตเมื่อบวชแล้วอาศัยความเพียรเครื่องเผากีเลสความเพียรที่ตั้งมั่นความหมั่นประกอบความไม่ประมาท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 นนมลเหตุที่4อหนึ่งในมลเหตุที่สสมณพราหมู้เจริญอาศัยอะไรปรารบอะไรจึงมีวาทะว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงบัญญัติอัตตาละโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายสมณพราหมูบางคนในโลกนี้เป็นนักตกกะเป็นนักอภิปรัชญาแสดงทัศนะของตนตามหลักเหตุผลและการค่าคเนความจริงอย่างนี้ว่า สิ่งที่เรียกว่าตาหูจมูกลิ้นกายนี้เรียกว่าอัตตาเป็นของไม่เที่ยงแท้ไม่ยั่งยืนไม่คงทนต้องผันแปรส่วนสิ่งที่เรียกว่าจิตใจวิญญาณนี้เรียกว่าอัตตาเป็นของเที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปรจกดำรงอยู่เที่ยงแท้ไปเช่นนั้นทีเดียวภิกษุทั้งหลาย นี่เป็นมลเหตุที่สี่ซึ่งสมณพราหมณ์พวกหนึ่งอาศัยแล้วปรารบแล้วจึงมีวาทะว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงปัญญา ต, ตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยง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 คุณโทษและอุบายเครื่องสลัดเวทนาออกตามความเป็นจริงตถาคตจึงหลุดพ้นเพราะความไม่ยึดมั่นถือมั่นภิกษุทั้งหลายทําเหล่านี้แลลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบปราณีตใช้เหตุผลคาดคะเนเอาไม่ได้ละเอียดรู้ได้เฉพาะบัณฑิตซึ่งตถาคตรู้แจ้งได้เองแล้วสั่งสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งตาม อันเป็นเหตุให้คนกล่าวยกย่องตถาคตถูกต้องตามความเป็นจริงอันตานันติกะวาทะสีเห็นว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดภิกษุทั้งหลาย มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดบัญญัติว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดด้วยมลเหตุสีอย่างก็สมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นอาศัยอะไรปรารอบอะไรจึงมีวาทะว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดบัญญัติว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดด้วยมลเหตุสี่อย่าง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 เพราะเราอาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสความเพียรที่ตั้งมั่นความหมันประกอบความไม่ประมาทและอาศัยการใช้ความคิดอย่างถูกวิธีแล้วบรรลุเจโตสมาธิที่เป็นเหตุทำให้จิตตั้งมั่นจึงเข้าใจว่าโลกมีที่สุดเพราะการบรรลุคุณวิเศษนี้เราจึงรู้อาการที่โลกนี้มีที่สุดและมีสันฐานกลมภิกษุทั้งหลาย นี่เป็นมมลเหตุที่หนึ่งซึ่งสมณพราหม์พวกหนึ่งอาศัยแล้วปรารพแล้วจึงมีวาทะว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดบัญญัติว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดมมลเหตุที่สอง อันหนึ่งในมูลเหตุที่สองสมณพราหมู้เจริญอาศัยอะไรปรารบอะไรจึงมีวาทะว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดบัญญัติว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหม์บางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสความเพียรที่ตั้งมั่นความหมั่นประกอบความไม่ประมาทและอาศัยการใช้ความคิดอย่างถูกวิธี แล้วบรรลุเจโตสมาธิที่เป็นเหตุทําจิตให้ตั้งมั่นจึงเข้าใจว่าโลกไม่มีที่สุดเขาจึงพูดอย่างนี้ว่าโลกนี้ไม่มีที่สุดหาที่สุดไม่ได้สมณพราหมณ์ที่กล่าวอย่างนี้ว่าโลกนี้มีที่สุดมีสันฐานกลมเป็นผู้กล่าวเท็จที่จริงแล้วโลกนี้ไม่มีที่สุดหาที่สุดไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะเราอาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสความเพียรที่ตั้งมั่น ความหมั่นประกอบความไม่ประมาทและอาศัยการใช้ความคิดอย่างถูกวิธีแล้วบรรลุเจโตสมาธิที่มีเหตุทำจิตให้ตั้งมั่นจึงเข้าใจว่าโลกนี้ไม่มีที่สุดหาที่สุดไม่ได้เพราะการบรรลุคุณวิเศษนี้เราจึงรู้อาการที่โลกนี้ไม่มีที่สุดหาที่สุดไม่ได้พิสษุทั้งหลายนี้เป็นมลเหตุที่สองซึ่งสมณะพราหมณ์ผู้หนึ่งอาศัยแล้วปรารภแล้ว จึงมีวาทะว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดบัญญัติว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดมูลเหตุที่สอนหนึ่งในมูลเหตุท <Wisconsin>, ี <S 2> <S 2> um, ่สสมณพราหมณ์ผู้เจริญอาศัยอะไรปรารบอะไร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 ด้านบนด้านล่างมีที่สุดด้านขวางไม่มีที่สุดเขาจึงพูดอย่างนี้ว่าโลกนี้ทั้งมีที่สุดและไม่มีที่สุดสมณะพราหมณ์ที่กล่าวอย่างนี้ว่าโลกนี้มีที่สุดมีสันฐานกลมเป็นผู้กล่าวเท็จแม้สมณะพราหมณ์ที่กล่าวอย่างนี้ว่าโลกนี้ไม่มีที่สุดหาที่สุดไม่ได้ก็เป็นผู้กล่าวเท็จที่จริงแล้วโลกนี้ทั้งมีที่สุดและไม่มีที่สุด เพราะเหตุไรเพราะเราอาศัยความเพียรเครื่องเผาเิเลตความเพียรที่ตั้งมั่นความหมั่นประกอบความไม่ประมาทและอาศัยการใช้ความคิดอย่างถูกวิธีแล้วบรรลุเจโตสมาธิที่เป็นเหตุทำจิตให้ตั้งมั่นจึงเข้าใจโลกว่าด้านบนด้านล่างมีที่สุดด้านขวางไม่มีที่สุดเพราะการบรรลุคุณวิเศษนี้เราจึงรู้อาการที่โลกนี้ทั้งมีที่สุดและไม่มีที่สุด ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นมูลเหตุที่สซึ่งสมณพราหมณ์พวกหนึ่งอาศัยแล้วปรารบแล้วจึงมีวาทะว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดบัญญัติว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุด มูลเหตุที่สอันหนึ่งในมูลเหตุที่สสมณพราหม์ผู้เจริญอาศัยอะไรปรารบอะไรจึงมีวาทะว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดบัญญัติว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราบางคนในโลกนี้เป็นนักตักกะเป็นนักอภิปรัชญาแสดงทัศนะของตนตามหลักเหตุผลและการคาดคะเนความจริงอย่างนี้ว่า โลกนี้มีที่สุดก็มีใช่ไม่มีที่สุดก็มิใช่สมณพราหมณ์ที่กล่าวอย่างนี้ว่าโลกนี้มีที่สุดมีสันฐานกลมเป็นผู้กล่าวเท็จแม้สมณพราหมณ์ที่กล่าวอย่างนี้ว่าโลกนี้ไม่มีที่สุดหาที่สุดไม่ได้ก็เป็นผู้กล่าวเท็จแม้สมณพราหมณ์ที่กล่าวอย่างนี้ว่าโลกนี้ทั้งมีที่สุดและไม่มีที่สุดก็เป็นผู้กล่าวเท็จ ที่จริงแล้วโลกนี้มีที่สุดก็มิใช่ไม่มีที่สุดก็มิใช่ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นมูลเหตุที่สี่ซึ่งสมณพราหม์พวกหนึ่งอาศัยแล้วปรารพแล้วจึงมีวาทะว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดบัญญัติว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุด สรุปอันตานันติกะวาทะภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่านั้นมีวาทะว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดบัญญัติว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดด้วยมูลเหตุสีดด่อย่างนี้แลข้อสมณพราหมณ์เหล่านั้นทุกจำพวกบัญญัติว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดด้วยมูลเหตุทั้งสี่อย่างนี้หรือด้วยมูลเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งในสี่อย่างนี้ไม่พ้นไปจากนี้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 อ ม, มาราวิเคปวาทะสีความเห็นหลบเลี่ยงไม่แน่นอนภิกษุทั้งหลายมีสมณพราหม์พวกหนึ่งมีวาทะหลบเลี่ยงไม่แน่นอนพอถูกถามปัญหาในประเด็นนั้นๆย่อมกล่าวหลบเลี่ยงไม่แน่นอนด้วยมลเหตุ4ีอย่างก็สมณพราหมผู้เจริญเหล่านั้นอาศัยอะไรปรารบอะไรจึงมีวาทะหลบเลี่ยงไม่แน่นอนพอถูกถามปัญหาในประเด็นนั้นๆ ย่อมกล่าวหลบเลี่ยงไม่แน่นอนด้วยมูลเหตุสี่อย่างมูลเหตุที่หนึ่งิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าสิ่งนี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเขามีความเห็นอย่างนี้ว่า เราไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าสิ่งนี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลถ้าเราไม่รู้ชัดว่าสิ่งนี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลจะพึงตอบว่าสิ่งนี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลคำตอบก็จะเป็นเท็จคำเท็จนั้นจะนำความเดือดร้อนซึ่งจะนำอันตรายมาให้แก่เราได้ดังนั้นเขาจึงตอบว่าสิ่งนี้เป็นกุศลก็หามิได้เป็นอกุศลก็หามิได้ เพราะกลัวและรังเกยียจการกล่าวเท็จเมื่อถูกถามปัญหาในประเด็นนั้นๆจึงกล่าวหลบเลี่ยงไม่แน่นอนว่าเรามีความเห็นว่าอย่างนี้ก็มิใช่อย่างนั้นก็มิใช่อย่างอื่นก็มิใช่จะว่าไม่ใช่ก็มิใช่จะว่ามิใช่ไม่ใช่ก็มิใช่ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นมูลเหตุที่หนึ่งซึ่งสมณพราหม์พวกหนึ่งอาศัยแล้วปรารบแล้ว จึงมีวาทะหลบเลี่ยงไม่แน่นอนพอถูกถามปัญหาในประเด็นนั้นๆย่อมกล่าวหลบเลี่ยงไม่แน่นอนมูลเหตุที่สองอันหนึ่งในมูลเหตุที่สองสมณะพราหมณ์ผู้เจริญอาศัยอะไรปรารบอะไร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 สิ่งนี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลจะพึงตอบว่าสิ่งนี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลชั้นทะความพอใจราคะความกําหนัดโทสะความขัดเคืองปฏิฆะความขัดใจจะพึงมีแก่เราได้เรื่องนี้จะเป็นเหตุให้เรายึดมั่นอันจะนำความเดือดร้อนซึ่งจะนำอันตรายมาให้แก่เราได้ดังนั้นเขาจึงตอบว่า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 ซึ่งสมณพราหม์พวกหนึ่งอาศัยแล้วปรารบแล้วจึงมีวาทะหลบเลี่ยงไม่แน่นอนพอถูกถามปัญหาในประเด็นนั้นๆย่อมกล่าวหลบเลี่ยงไม่แน่นอนอมูลเหตุที่สอันหนึ่ง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 สิ่งนี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลก็ถ้าเราไม่รู้ชัดว่าสิ่งนี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลจะพึงตอบว่าสิ่งนี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลสมณพราหมณ์ผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญาลึกซึ้งชํานาญการโต้วาทะแม่นยำดุดขมังธนูมีอยู่แน่แท้สมณพราหมณ์เหล่านั้นจะเที่ยวกล่าวแก้ทิฏฐิด้วยปัญญา พวกเขาจะซักไซ้ไล่เลียงสอบสวนเราในเรื่องนี้เราจะไม่อาจโต้อตอบได้การโต้อตอบไม่ได้นั้นจะทาให้เราเดือดร้อนซึ่งจะนำอันตรายมาให้แก่เราได้ดังนั้นเขาจึงตอบว่าสิ่งนี้เป็นกุศลก็หามิได้เป็นอกุศลข้อหามิได้เพราะกลัวและรังเกยียจการซักถามเมื่อถูกถามปัญหาในประเด็นนั้นๆจึงกล่าวหลบเลี่ยงไม่แน่นอนว่า เรามีความเห็นว่าอย่างนี้ก็มิใช่อย่างนั้นก็มิใช่อย่างอื่นก็มิใช่จะว่าไม่ใช่ก็มิใช่จะว่ามิใช่ไม่ใช่ก็มิใช่ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นมูลเหตุที่สามซึ่งสมณะพราหมูพวกหนึ่งอาศัยแล้วปรารบแล้วจึงมีวาทหลบเลี่ยงไม่แน่นอนพอถูกถามปัญหาในประเด็นนั้นๆย่อมกล่าวหลบเลี่ยงไม่แน่นอน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 ถ้าท่านถามเราอย่างนี้ว่าโลกหน้ามีจริงหรือหากเรามีความเห็นว่าโลกหน้ามีจริงก็จะตอบว่ามีจริงแต่เรามีความเห็นว่าอย่างนี้ก็มิใช่อย่างนั้นก็มิใช่อย่างอื่นก็มิใช่จะว่าไม่ใช่ก็มิใช่จะว่ามิใช่ไม่ใช่ก็มิใช่ถ้าท่านถามเราว่าโลกหน้าไม่มีหรือหากเรามีความเห็นว่าโลกหน้าไม่มี ก็จะตอบว่าไม่มีละถึงถ้าท่านถามเราว่าโลกน้ามีและไม่มีหรือโลกหน้าจะว่ามีก็มิใช่จะว่าไม่มีก็มิใช่หรือสัตย์ที่ผุดเกิดมีจริงหรือสัตย์ที่ผุดเกิดไม่มีหรือสัตย์ที่ผุดเกิดมีและไม่มีหรือสัตย์ที่ผุดเกิดจะว่ามีก็มิใช่จะว่าไม่มีก็มิใช่หรือ ผลวิบากแห่งกรรมดีกรรมชั่วมีจริงหรือผลวิบากแห่งกรรมดีกรรมชั่วไม่มีหรือผลวิบากแห่งกรรมดีกรรมชั่วมีและไม่มีหรือผลวิบากแห่งกรรมดีกรรมชั่วจะว่ามีก็มิใช่จะว่าไม่มีก็มิใช่หรือหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกหรือหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกหรือ หลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกหรือหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่หรือหากเรามีความเห็นว่าหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่ก็จะตอบว่าหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่แต่เรามีความเห็นว่า อย่างนี้ก็มิใช่อย่างนั้นก็มิใช่อย่างอื่นก็มิใช่จะว่าไม่ใช่ก้มิใช่จะว่ามิใช่ไม่ใช่ก้มิใช่ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นมลเหตุที่สี่ซึ่งสมณพราหม์พวกหนึ่งอาศัยแล้วปรารภแล้วจึงมีวาทะหลบเลี่ยงไม่แน่นอนพอถูกถามปัญหาในประเด็นนั้นๆย่อมกล่าวหลบเลี่ยงไม่แน่นอน สรุปอมราวิเขประวาทะภิกษุทั้งหลายสมณพราหมเหล่านั้นมีวาทหลบเลี่ยงไม่แน่นอนพอถูกถามปัญหาในประเด็นนั้นๆย่อมกล่าวหลบเลี่ยงไม่แน่นอนด้วยมูลเหตุสี่อย่างนี้แหลก็สมณพราหมเหล่านั้นทุกจําพวกพอถูกถามปัญหาในประเด็นนั้นๆย่อมกล่าวหลบเลี่ยงไม่แน่นอนด้วยมูลเหตุทั้งสี่อย่างนี้หรือด้วยมูลเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งในสี่อย่างนี้ ไม่พ้นไปจากนี้และถึงอันเป็นเหตุให้คนกล่าวยกย่องตถาคตถูกต้องตามความเป็นจริงอธิจจะสมุ ป, ปันนะวาทะสองเห็นว่าอัตตาและโลกเกิดขึ้นเองไม่มีเหตุปัจจัยภิกษุทั้งหลาย มีสมณพราหมู่พวกหนึ่งมีวาทะว่าอัตตาและโลกเกิดขึ้นเองไม่มีเหตุปัจจัยบัญญัติออัตตาและโลกว่าเกิดขึ้นเองไม่มีเหตุปัจจัยด้วยมูลเหตุสองอย่างก็สมณพราหมู์ผู้เจริญเหล่านั้นอาศัยอะไรปรารบอะไรจึงมีวาทะว่าอัตตาและโลกเกิดขึ้นเองไม่มีเหตุปัจจัยบัญญัติอัตตาและโลกว่าเกิดขึ้นเองไม่มีเหตุปัจจัยด้วยมูลเหตุสองอย่าง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 และอาศัยการใช้ความคิดอย่างถูกวิธีแล้วบรรลุเจโตสมาธิที่เป็นเหตุทำจิตให้ตั้งมั่นตามระลึกถึงความเกิดสัญญาถัดจากนั้นไประลึกไม่ได้เขาจึงพูดอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกเกิดขึ้นเองไม่มีเหตุปัจจัยเพราะเหตุไรเพราะเมื่อก่อนเราไม่ได้มีแล้วบัดนี้ก็ไม่มีจึงน้อมไปเพื่อเป็นผู้สงบภิกษุทั้งหลาย